อ่ะเสร็จแล้วก็บางทีอะไรอ่ะพ่อท่านก็คือจริงๆแล้วเป็นเป็นเป็นบทเรียนที่พ่อท่านบางทีก็สอนพวกเราเนี่แหละบางทีความติดยึดของพวกเราคือยึดไว้ว่าถ้าพ่อท่านดีแล้วก็จะต้องดีแล้วก็คือหมายต้องสำรวมแบบนี้นะต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้แล้วถึงจะถือว่าดี ถ้าถ้าทําอะไรที่มันรู้สึกเอ๊ะแปลกแปลกอะไรอย่างงี้เอ๊ะอย่างงี้ถ้าจะไม่ค่อยดีมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้นะยุคก่อนบางทีก็มีท่านก็แบบเขาเรียกว่าเล่นน้ําลายนะท่านก็ทำอย่างเงี้ยคนอื่นก็ไม่มีใครรู้หรอกแต่ปัจฉาอยู่ใกล้เนี่ยปัจฉ้านะพูดง่ายว่าลองของปัจฉาให้ให้บทเรียนกับปัจฉาที่ปัจฉานี่โอ้ยจะวางใจยังไง ปัจฉาจะวางใจยังไงคนอื่นทั่วๆไปพ่อท่านก็มันจะไปทําหรอกนะ <c oughs> แต่ปัจฉานี่แหละโอ้มันปากกดว่าโอ้ทีน่าดูเลยนะปัจฉา <c oughs> นี่าันจปัจฉาวางใจไม่ได้อะ่ะยึดยึดแบบว่าเอ๊ะพ่อท่านต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้สิไปทําอย่างนั้นไม่ถูกทําอย่างนั้นเอ๊ะมันไม่ถูกแล้วมันไม่ถูกเอซึ่งซึ่ง มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไปผิดสีไม่ผิดอะไรนะคือไอ้เรื่องพวกเนี้บางทีมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไปผิดสีน่าอะไรแต่ว่าในความรู้สึกธรรมดาของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ควรทําอย่างเงี้ยไม่ควรทําอย่างเงี้ยมันแปลกๆอะ่ะคือคือถ้าทําแบบนี้นี่ดูแล้วมันอะไรอะ่ะมันไม่สงา่าคือมันมันไม่น่าเคารพเลื่อมใสอะไรอย่างงี้บางทีเราเราจะยึกลักษณะพวกนี้ซึ่งอันเนี้ยอาตมาถึงบอกว่า ไม่ง่ายเลยโอ้โหต้องศึกษามากเลยเรื่องพวกนี้แม้เป็นฆราวาสเนี่ยหลายคนมีเหมือนกันเคยเคารพสมณะบางรูปเนี่ยมากมากเลยนัยึดเลยนะยึดยึดว่าท่านจะต้องดีอย่างนั้นท่านจะต้องดีอย่างนี้สมมุติยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าสมณะบางรูปอย่างเงี้ยท่านก็แบบว่า โอ้โหท่านกเทศดีท่านก็นกสอนดีเราก็คิดว่าไอลีลาบางอย่างเนี่ยเพราะว่าท่านเทศก็ดีเนี่ยท่านสอนก็ดีเนี่ยแมครวมสัมรวมนะคนทํ า, งงาอย่างงั้นอะย่างนี้นะแต่เกิดไปเห็นมาไหนท่านเกิดสมมุติสมมุติว่าเหมือนกับภาษาลีบุตรอย่างเงี้ยก็โดยข้ามท้องล่องอ <c oughs> ่ะก็โดยข้ามท้องล่องเฉยเลยเดินบางทีสะบัดไม้สะบัดมือไปโดนคนอื่นนะอย่างเงี้ยถ้าคนที่ยึดเอาไว้อย่างนี้นะแล้วเราเคารพศรัทธาแล้วเราก็ต้อง ต้องให้เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ท่านไม่จะเป็นอย่างที่เราคิดแล้วคนนี้ในเรื่องอการเคลื่อนไหวห ร, หรือในเรื่องของอากัปกิริยาเริ่มเลยนะเขาเนี้ยเพราะว่าคุณหวังผลตอบแทนอยู่ว่าถ้าท่านดีอย่างนี้อย่างนี้เราหวังผลไว้เลยเนี่ยว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี่างี้คุณต่างหากหรอที่ไปสร้างอันนี้เอาไว้ <c oughs> แต่ความเป็นจริงเอา้าท่านไม่ได้เป็นอย่างที่คุณไปเป็นผู้กํากับเองคุณสร้างหนังไว้เองแล้วคุณก็ดูเอง เอาไว้ในหัวสมองคุณเนี่ยแต่ท่านไม่ได้เป็นนักแสดงให้คุณอย่างนั้นนี่ท่านเป็นอย่างของท่านอ่ะเพราะฉนั้นพอปรากฏว่าเราไปเจอท่านไม่ทําอย่างที่เรายึดเอาไว้หรือเราคิดว่าผลเนี่ยเราว่าท่านเทศดีท่านสอนดีอย่างนี้เออท่านควรจะสงบสํารวมแบบนี้แบบนี้ผลที่เราคิดเอาไว้ว่าเป็นการตอบแทนที่เราศรัทธาท่านนะที่เราแบบนิยมชมชืม่นท่าน ท่านก็น่าจะทำตัวแบบนี้แบบนี้นี่นี่นี่ก็เป็นการยึดแบบเป็นผลผลตอบแทนที่เราอุดซาศรัทธาแต่พอไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนี่โอ้โหทันทีเลยเริ่มเลยบางทีนะชักชักไม่อยากกราบแล้วชักไม่อยากฟังเทศท่านแล้วหรือว่าชักไม่อยากที่จะอะไรอะ่ะเข้าใกลแหละเป็นเลยจริงๆยิ่งใครเนี่ย ถ้าไม่ทันอารมณ์สติของตัวเองให้มากพอไปเลยนะแล้วเนี่ยแง่ลบหรือว่าแง่ไม่ชอบใจเนี่ยจะขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งในที่ในที่สุดเนี่ยจากที่เคยศรัทธาอาจจะเลิกศรัทธาเลยทั้งทั้งที่บางทีเนี่ยไอ้ที่ทานั่นนะ่ะท่านทำไปเนี่ยบางทีไม่ได้ผิดศีลอะไรนะเป็นแต่เราไม่ไม่ชอบใจอะ่ะ มันไม่ตรงสเปกกับไอในหัวสมองเราถ้าจะว่าไปถ้าในยันเทศสอนอะไรก็ยังได้ดีอยู่เหมือนเดิมแต่ไอสิ่งที่เราเนี่ยหวังผลตอบแทนมามันไม่เป็นไปอย่างที่หวังไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดพูดง่ายว่าผิดหวังไอที่หวังผลตอบแทนมันเนี่ยมันผิดหวังยากที่เราหวังเอาไว้มันก็เหมือนกับคน อ, อกหกัก อ, อกพังรักก็เลยจะกลายเป็นแค้น ก็เลยอยากลายเป็นลักษณะนะั้นคราวนี้เลยจะเคยมองแต่แง่บวกเคยมองแต่แง่บวกคร า, าวนี้ตีกลับโครมเลยนะคราวนี้ก็มองแต่แง่ลบมองแต่แง่ลบมองแต่แง่ลบแง่เดียวเลยเนี่ยแล้วในแง่ลบที่ใครที่มองคนแต่แง่ลบอะก็ให้รู้เถอะอย่านึกว่าการมองคนอื่นแต่ในแง่ลบนี่อันนั้นไม่ไม่หวังผลตอบแทนนะหวังนะตอนนี้เนี่ยคนที่เราไม่ชอบ คนที่เราเกลียดชังเนี่ยคุณก็จะไปสร้างความหวังไว้ในหัวสมองนะเหมือนคราวที่แล้วที่บอกว่าคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่ชอบเนี่ยนะเราบางทีเรานึกเหนื่ ใ, นใจนะมาเออไอเนี่ ย, เจอ อ, ย, ยเจออะไรที่แย่ๆเจออะไรที่ร้ายๆมัง่งแหมเจอไปแล้วเราก็จะมีความสุขเพราะสมน้ำหน้าเราไม่ชอบอยู่แล้วไอคนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องโดนอย่างนี้เดี๋ยวมันจะต้องโดนดา่าโดนว่าโดนเล่นงานอย่างนั้นอย่างนี้ เนี่ยคนนี้ก็ไม่รู้นะเนี่ยไปสร้างอีกแล้วนะไปสร้างความหวังหรือว่าไปสร้างผลตอบแทนไว้ในหัวสมองตัวเองอีกและแต่ในแง่ลบเขานี่เพราะฉะนั้นพอคนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาเกิดโดนเบียดเบียนหรือเขาโดนทําร้ายโดนดุด่าว่าอะไรเราจะนึกดีใจอยู่ในใจนี่ก็คือสิ่งที่คุณไปสร้างกําหนดเอาไว้ในจิตเท่านั้น โดยที่ถ้าเราไม่รู้ตัวถึงบอกว่าเราจับไม่ทันเนี่ยคุณใส่อีกแล้วเพียงแต่มันมุมตรงข้ามนั้นเองจากคนที่เรารักเราเคารพมามุมตรงข้ามคนที่เราเกรียดชังแต่คุณก็ไปสร้างอีกเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วจะไม่สามารถที่จะอะไรอะ่ะทาดีโดยไม่หวังผลตอบแทนคนนี้ทาได้ยากเพราะไม่รู้ตัวเลย ทำอะไรไปเนี่ยไม่รู้ตัวของตัวเองหรือว่าหวังผลตอบแทนอีกแล้ววังผลตอบแทนอีกแล้วมันต้องเลิกพยายามเลิกให้ได้จะมุมบวกก็ตามจะมุมลบก็ตามหมายถึงกับคนที่เราเคารพศรัทธาหรือคนที่เราไม่ชอบที่น่าก็ตามนะอย่าหวังผลตอบแทนอะไรทําอะไรให้ใครแล้วไม่ต้องหวังอ <c oughs> <c oughs> นะืน้ําใจที่ให้น้ําใจที่เสียสละแก่ผู้อื่นจะมีค่าสูง ก็ต้องมีปัญญาฉลาดรู้ในความดปีประกอบควบคู่ด้วยมิฉะนั้นการเสียสละเหล่านั้นอาจกลายเป็นการเสื่อมเสียที่ผิดพลาดก็ได้ซึ่งจะส่งผลถึงผู้ให้นั้นต้องเดือดร้อนได้บาปกรรมไปแทนและผู้รับก็พลอยหลงทิศผิดทางกลายเป็นเลวลงกว่าเดิมด้วยซ้าไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครไม่รู้ตัวนี่นะ ทำไปแล้วทำไปแล้วเร็วลงกว่าเดิมก็ได้แต่ตัวเองไม่รู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยไหวทันแล้วก็จับอารมณ์จิตจับจิตของตัวเองได้ทันเนี่ยรู้เลยว่าเอาอีกแล้วเราทำอย่างนี้เราผิดพลาดอีกแล้วนะเขามียกตัวอย่างเช่นมีน้ำใจช่วยซื้อเหล้าให้กินแจกบุหรี่ให้เขาสูบให้ยืมเงินไปแทงหวยเล่นการพ น, นัน พาไปเลี้ยงหนังหนังโป้ะอะไรพวกนี้นะให้ดูส่งเสริมให้เที่ยวกลางคืนแนะเขาให้หัดอู้งานช่วยกันคอรัปชันสนับสนุนวงนินทาให้เกิดการทะเลาะบ่อแววงกันช่วยเหลือกันอย่างนี้แหละเป็นการจูงมือฉุดกันลงนรกไปด้วยกันเลยเืออง น, นี้พูดในแง่ที่เรียกว่า <c oughs> บางทีเราเราว่าเราจะช่วยคนอื่น แต่เราช่วยโดยที่เราไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาว่าช่วยยังไงที่จะทําให้อะไรอ่ะไม่เป็นกิเลสช่วยยังไงที่จะทําให้มันเป็นสิ่งที่ถูกที่ถูกทางเป็นสัมมาทิฏฐิมับนบางคนเนี่ยก็ช่วยแบบทพนิที่ว่าช่วยไปแบบโลกโลกช่วยไปแบบปูถุชนช่วยซึ่งช่วยแบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ไม่ได้บุญได้บาปเยอะซ้ําไป าจะได้บาปเพราะอันนี้เราเองเราต้องต้องเรียนรู้ด้วยอาจารมาเคยพูดมาหลายทีแล้วนะเรื่องทําบุญแล้วได้บาปทําบุญเนี่ยแหละเราคิดว่าเราช่วยเขาเป็นบุญเป็นกุศลแต่ปรากฏว่าทําไปแล้วกลับเป็นบาปถ้าเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าไอ้สิ่งที่ทําเนี่ยทําไปแต่มันดีหรือเปล่ามันถูกต้องจริงไหมเพราะว่าบางทีนี่ไอ้ที่เราช่วยไปเราทําไปเนี่ย มันเป็นสิ่งผิดๆอ่ะเอาให้เงินเข้าไปนะเอาเอาเอาไปซื้อยาเพราะว่าโหเห็นมันแย่แล้วมันจะลงแดงมันติดยาโอ้เห็นแล้วก็ทรมานสงสารก็เอา้าให้เงินมันไปอีกเอ้าเอ า, เอามันมาซื้อยา ม, มากินมาฉีดมาสูบอะไรมันจะได้ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยแต่เราให้อย่างนี้มันก็ให้ไปเรื่อยสิใช่ไหม แล้วมันก็ยิ่งต้อติดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเอ้าให้อย่างนี้แล้วมันจะไปแก้ปัญหาได้ไงให้อย่างนี้ก็ลงนรกด้วยกันทั้งคู่อะไอคนที่ไปติดยาเพิ่มหนักขึ้นไอคนนั้นก็ยิ่งติดหนักกว่าเดิมก็ยิ่งลงนรกอยู่แล้วทั้งเป็นเลยส่วนไอคนให้ก็ยิ่งต้องให้ต่อไปเรื่อยต้องยิ่งต้องให้ต่อไปเรื่อยเพอเพอบางทีก็ให้จนหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยอะวัน คนนี้ก็พลอยทุกยากลําบากอะไรไปด้วยมันเห็นไหมว่าว่าการที่เราจะช่วยเหลือหรือเราจะให้อะไรใครเนี่ยก็ยังจะต้องนาะนเป็นไปด้วยสติปัญญาที่จะรู้ว่าเอออันนี้ดีอันนี้ไม่ไปในทางที่ผิด <c oughs> ช่วยเหลือกันในเรื่องคุณธรรมและความยําเกรงแต่อย่าช่วยเหลือกันในเรื่องบาปและความเป็นศัตรูต่อกัน นะอันนี้ศาสนาอิสลามเข า, เขาก็มีสอนเหมือนกันว่าเนี่ยการจะช่วยเหลือกันเนี่ยมันต้องช่วยกันแบบแบบสร้างคุณธรรมเพิ่มขึ้นมาไม่ใช่ช่วยกันแล้วกลายเป็นเกรงใจหรือว่าช่วยไปแล้วเพราะกระตันยูอ๋อมนคนอ้างเงี้ยว่าว่าเราตอบแทนบุญคุณกตเวทีนะตอบแทนบุญคุณแต่ไอสิ่งที่เราตอบแทนบุญคุณนั่นนะ่ะมันเป็นบาปอะ คุณตอบแทนบุญคุณด้วยบาปเนี่ยเอ๊ะจะเรียกว่าตอบแทนบุญคุณไหมเนาะฮะสมมุติว่าเอา้าเอาพ่อแม่เราแหละไม่ต้องเอาคนอื่นเลยสมมุติว่าพ่อแม่เราน่าปรากฏว่าเราเองเราก็เออจะตอบแทนบุญคุณอสมมุติว่าวันคล้ายวันเกิดของท่านเออเราก็ซื้ออะไรดีซื้อเราเออซื้อ เล่ายาปาปิ้ง เ, เ, เนื้อสัตว์นะหรือว่าอะไรกันที่จะจะมีไปให้กันนะมีอะไรบ้างนอกจากเล่ายาปาปิ้งแล้วมีอะไรอื่นเอาผลไม้นะสมมติผลไม้แต่เราไม่รู้จักเลือกกันนะเราก็เอาผลไม้มีสารพิษไปนะ <c oughs> อย่างเงี้ยสมมติยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเราไม่มีสติปัญญาเราก็ไม่ได้ รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าไปช่วยเหมือนบางคนเนี่ยมีคนป่วยเราไปเยี่ยมไข้โอ้โหอุตสาเอาผักผลไม้ไปเยี่ยมไข้เอาอาหารการกินไปเยี่ยมแต่ปรากฏว่าไอผักผลไม้นี่ก็โอ้โหสารพิษเยอะแยะไปหมดเลยคือไม่ได้สนใจไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องพวกนี้นะคิดอยู่แต่ว่าเออฉันไปเยี่ยมไข้ฉันมีน้ําใจ ท่านก็จะซื้อของเอาไปให้อะแต่ไม่ได้มีสติปัญญาที่จะรู้เลยว่าไอ้ของที่ไปให้เนี่ยมันมันดีหรือเปล่าเนี่ยเออมันแสลงโลกเขาหรือเปล่านะไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจอะไรเลยคิดแต่ว่าฉันจะให้ฉันจะให้อย่างเดียวโดยไม่มีสติปัญญาว่าบางทีปรากฏว่าให้ไปแล้วเนี่ยไอ้คนป่วยเลยเพอเพอ อ, อาจจะเป็นหนักกว่าเดิมคือกินเข้าไปแล้วก็จะตายเอาละครเนี้ยนะหรือว่าเราเอา ให้เล่าพ่อพ่อก็โอ้โหยิ่งอร่อยใหญ่เลยอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ไม่ได้บุญอะไรมันได้บาปมันก็ยิ่งทําให้พ่อก็ยิ่งเมายิ่งมึนอยู่อย่างนั้นแหละมันจะไปได้บุญยังไงอะ่ะเพราะั้นการให้ที่ไม่ถูกต้องการให้ที่อไม่เข้าใจเรื่องของคุณธรรมความดีแล้ว การให้นั้นไม่ใช่แค่เป็นหมันนะเป็นหมันนี่ก็ถือว่าศูนย์ศูนย์เปล่าเท่านั้นใช่ไหมไอ้ น, นี่มันไม่ได้เป็นหมันนะมันติดลบเลยนะให้ไปแล้วกลายเป็นบาปเลยเพียงแต่คนนั้นอาจจะหลงคิดว่าโอ้ฉันฉันทำดีแล้วฉันมีน้ำใจแล้วฉันเอาไปให้คนอื่นเ็าแล้วแต่จริงๆเราได้บาปเพราะอย่านึกว่าสักแต่ว่าให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้แล้วถือว่าการให้เป็นบุญทั้งหมดไม่อะ ให้แบบโง่โง่นี่เป็นแบาบปว่านาต้องมีสติปัญญาต้องฉลาดด้วยในสังคมส่วนใหญ่คนมีจิตใจอ่อนแอเพราะถูกอบายมุขครอบงำจึงจำเป็นอย่างยิ่งและอย่างมากที่สุดที่จะต้องช่วยเหลือกันให้เกิดมีคนดีเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างสภาพสังคมส่วนรวมให้อยู่ดีมีสุขยิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ขณะที่พยายามช่วยคนอ่อนแอ ซึ่งตกเป็นาธาตุกิเลสของตนอยู่นั่นเองก็ยังต้องพยายามช่วยธนุถนอมป้องกัน ร, รักษาและส่งเสริมคนที่ได้ทำดีอยู่แล้วให้พวกเขาสามารถทำดีได้มากยิ่งขึ้นอีกเพราะคนที่ดีจริงยังมีน้อยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณประโยชน์อันล้ำค่าที่สุดเหนือกว่าทรัพยากรอื่นใดทั้งหมดในโลก ที่ควรแก่การรักษาอนุรักษ์ไว้จึงควรช่วยสนั บ, ส น, บสนุนเข้าข้างคนดีไว้ก่อนเสมอเกื่ออ น, นี่ยพูดถึงว่าการช่วยคนในโลกเนี้ยนะ่มันมีสองมุมใหญ่ๆมุมมุ ม, ม, มนึงก็คือช่วยคนที่ไม่ดีเนี่ยให้ให้เขาค่อยๆดีขึ้นอช่วยคนที่ไม่ดีให้ให้ดีขึ้นซึ่งเราก็ต้องอดทนนะ อดทนแล้วก็อย่าไปหวังผลตอบแทนบอกแล้วเราก็ช่วยเท่าที่เราจะมีกิจความสามารถเราช่วยช่วยไปให้คนที่ไม่ไม่ดีเนี่ยกลับมาดีให้คนที่เป็นศัตรูเนี่ยกลับมาเป็นมิตรแต่ในขณะเดียวกันคราวนี้บอกว่าเราก็ต้องช่วยมิตรเนี่ยหรือว่าช่วยคนที่ดีอยู่แล้วนะคุ้มครองรักษาหรือว่าสนับสนุนช่วยเหลือให้คนที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มจานวนมากขึ้น หรือคนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิงย่ง ข, ขึ้นไปอีกเหมือนกับเรารู้ว่าพระท่านมาบวชเงี้ยท่านไม่ใช้เงินใช้ทองท่านไม่มีจะไปซื้อจะไปหาอะไรท่านก็ไม่มีเงินทองจะไปซื้อแล้วเพราะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนอย่างกับว่าอ้าก็ให้ท่านถือศีลให้ท่านปฏิบัติทําให้ดีไปเลยเราสนับสนุนด้านาช้าๆท่านมาเดินมิจฉาาธรามีอาหารเราก็ถวายท่านใช่ไมแต่บอกนะนะ ต้องฉลาดนะอาหารที่ใส่บาทก็ต้องเป็นอาหารที่สมควรใส่ต้องไม่ใช่อาหารที่เป็นบาปต้องเป็นอาหารที่เป็นบุญใส่แล้วถึงจะได้บุญอย่างเงี้ยแล้วพวกคราวาสก็จะสนับสนุนจะช่วยเหลือเออบางทีท่านขาดขาดตกบกพร่องอะไรที่ที่ขาดแคลนใช่ไหมเอาป ร, วราวนาท่านท่านขาดแคนตรงไหนก็ก็บอกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย เราก็หนุนช่วยช่วยคนดีอยู่แล้วให้ดีๆยิ่งขึ้นอย่างสมมติว่าอย่างพ่อท่านเนี้ยเราเราเชื่อมั่นอยู่แล้วว่าท่านเป็นคนดีท่านจะทำงานทำการอะไรบางทีเอาญาติโยมพอจะมีเงินทองบางทีอย่างเงี้ยอก็ช่วยท่านเดี๋ยวท่านจะทำให้ท่านนะท่านจะทาให้ดีนะเราชัดเจนว่าเออท่านทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อสังคมให้ดีขึ้นเราเองเราก็ไม่มีไม่มีความสามารถเท่าท่าน แต่เอาลราบางทีเราพอมีทรัพย์สินเงินทองบ้างเราก็ช่วยไปตามที่เราจะมีเรี่ยวแรงช่วยใช่ไหมก็ช่วยไปเท่าที่เราจะช่วยได้อย่างเงี้ยเนี่ ย, ยคือการสนับสนุนคนดีที่ดีอยู่แล้วให้ท่านได้ได้ทำดียิ่ ง, งขึ้นมันสองมุมใหญ่ๆเนี่นะจิตเลื่อมใสในที่ใดพึงให้ทานในที่นั้นทานที่ให้แล้วแก่ผู้มีศีลย่อมมีผลมาก ทานที่ให้แล้วในผู้ละเมิดศีลย่อมมีผลน้อยนะ น, นี่เป็นตำตัดของพระพุทธเจ้า <c oughs> ซึ่งอันนี้เพื่อเป็นภาษาง่ายๆอยู่แล้วที่เรารู้เลยก็ไปให้คนไม่มีศีลมันจะไปได้บุญอะไรแล้ว <c oughs> ใช่ไหมยิ่งโอ้โหไปให้โจร <c oughs> มันโจรมันป้นมันจี้มันฆ่ามันทำลายคนแล้วเราไปทำบุญกับโจรไปถามโจรว่า เอาไหมจะให้สักหมื่นหนึ่งนะโจรจะได้อไปกินข้าวกินน้ำอะไรปวดท้มันจะไม่ได้บุญอะไรนะยิ่งไปสนับสนุนยิ่งไปเชียร์มันมันก็ยิ่งโอ้โหเผลอๆบางทีมันก็ยิ่งยิ่งปนยิ่งฆ่ายิ่งทำร้ายอะไรคนมันไม่ได้บุญอะไรเราะั้นถ้าเราจะทาบุญกับโจรคว น, นี้เอาแล้วนะควนี้ถ้าเราจะทำบุญกับโจรไม่ใช่ ไปส่งเสริมให้มันยิ่งเลวร้วายอาแต่เราจะช่วยโจรได้ยังไงฮชวนโจนมาวัดหรื อ, อยังไงฮบอกตำรวแล้วอโอให้ไปจับเลยเหรอ อ, อันนั้นอาจจะเป็นวิธีหนึ่งฟังดูแล้วเอ๊ะไอะ้นี่มันจะเล่นงานโจนที่มึงไม่ใช่ช่วยโจนแต่เป็นวิธีหนึ่งนะ คือในสังคมนี้ถ้าเขาคิดว่าเขาคุยกับโจนไม่รู้เรื่องใช่ไหมไอ้ประเภทกฎหมายบ้านเมืองเขาก็ใช้จำรวนเนี่ยมาจับโจนเอาไปขังอเงี้ยเอาไปลงโทษลงทันเพื่อที่จะให้โจนเนี่ยเปลี่ยนใจหรือกลับใจจะได้ไม่ไปทำชั่วไม่ไปทำเลวอีกอันนั้นเป็นวิธีหนึ่งแต่เป็นวิธีใช้โทษทันใช้อะไรต่างๆเพื่อที่ให้คนเนี่ยจากเลวอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าไปทำเลวจะได้ กลับมาทำดีอันนี้เป็นวิธีการหนึง่งแต่ถ้ายัางพวกเราอะเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ตำรวจเราจะช่วยช่วยเหลือคนไม่ดีจะทำไงฮะส่งสารส่งให้เขา อ, อ่านหรื อ, อยังไงส่งดอกหญ้า <c oughs> เอา้าทำได้เปล่าล่ะเออ ก็ทำได้หน่ใช่ไหมเล่าคนในคุกกับเรามีส่งนะเนี่ยหนังสือสาโศกดอกหญ้าอะไรเนี่ยเรามีส่งนะแสงสูนอะไรตออะไรยังมีอะไรใครเคยอ่านบ้างอ่ะเขาจดหมายม า, าเขาโอ้โหเขาพยายามไปมาปปพึ่บปฏิบัติอยู่ในคุกกันแหละอะ่อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราก็พอช่วยได้อ่าก็นัาสีท่านจานย์ก็ไปเทศในคุกอยู่บ่อย อก็มีก็เป็นเป็นวิธีช่วยได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยนะเราเรา <c oughs> ให้เราเข้าใจก็แล้วกันยิ่งถ้าเราช่วยในลักษณะนี้เนี่ยก็ยิ่งจะทําให้เราเราเองเนี่ยเราอะไรอ่ะช่วยเหลือคนด้วยแล้วเราก็ได้ฝึกฝนตัวเราเนี่ยให้เก่งในเรื่องของคุณธรรมความดีได้มากขึ้นแม้การช่วยเหลือร่วมมือร่วมแรงให้แก่คนดี นับว่าได้ผลบุญผลประโยชน์อย่างมากแต่การที่สามารถช่วยเหลือตัวของตัวเองให้กลายเป็นคนดียิ่งขึ้นได้ก่อนนั่นยิ่งเป็นผลบุญผลประโยชน์สูงมากยิ่งกว่าคือคือถ้าเราทำตัวเราเนี่ยให้ดีได้มากกว่าที่เวลาเราไปช่วยใครเนี่ยนะเราก็อยากให้คนอื่นได้ดีใช่ไหมแต่ที่ถูกต้องและที่จะเป็นผลบุญที่มากยิ่งกว่าคือ คือในขนาดที่เราช่วยคนอื่นเนี่ยแต่จริงๆแล้วช่วยให้คนอื่นดีเนี่ยนะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายิ่งทําให้เราเนี่ยได้เสียสละได้ทําดีเนี่ยยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยได้ได้วิเศษได้สูงกว่าได้มากกว่าที่เราไปช่วยเขาเนี่ยอันนี้แหละถึงจะถือว่าคนเนี่ยได้เพิ่มบา ร, รมีได้เพิ่มมรรคผลของตัวเองเนี่ยสูงยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วอันนี้แหละจะทําให้เราวรรุธรรมหรือจะทําให้เราเนี่ยยิ่งสามารถจะเสียสระได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปช่วยใครแล้วปรากฏว่ายิ่งช่วยยิ่งช่วยโอ้โหคนที่ถูกเราช่วยนี่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีมากเลยนะแต่ไอัที่เราไปช่วยไปช่วยไปช่วยช่วยไปช่วยมารู้สึกเราแย่ลงๆๆเราแย่ลงเอออย่างนี้นี่มันมันชักไม่เข้าท่านะเหมือนบางคนเนี่ยแหมชอบไปชวนคนอื่นตั้งตบาบะนะจะเข้าพรรษาเขาตั้งตบาบะที่ตั้งตบาบะที่ นะทําย่านั้นอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ตั้งอะ่ะ <c oughs> เอเอแม่เป็นซะอย่างนี้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้ว <c oughs> นะเราจะช่วยคนอื่นเนี่ยต้องช่วยตัวเราเองด้วยยิ่งตัวเราเองเนี่ยต้องช่วยให้มากๆเลยหมายถึงช่วยในด้านคุณธรรมความดีนะให้ให้เราเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นไม่ใช่แบบขี้โลภนะไอ้ขี้โลวกเพงแก่ตัวงั้นมันใช้ไม่ได้ <c oughs> จึงควรเช่วเหลือตัวเองให้ดีก่อนให้จงได้โดยประเดิมด้วยการยับยั้งใจการลดการงดการหยุดการเลิอกอใยมุก ข, ของเลวร้ายลงให้ได้หากสามารถแก้ไขต น, ตนได้ดีย่อมสามารถช่วยแก้ไขคนอื่นในครอบครัวในสังคมได้ดีด้วยแน่ๆคนอื่นๆจึงเป็นผลพลอยดีผลพลอยดีนะของตนนั่นเอง คือคือคือคือจริงๆเนี่ยเราช่วยคนอื่นนะ่ะด้วยนะเราก็เสียสละเราก็ช่วยคนอื่นด้วยแล้วอย่าห ว, วังผลตอบแทนหมดแล้วเพราะไม่ต้องไปหวังอะไรจากใครแต่จากตัวเราเองคนนี้เรารู้แล้วเรายิ่งเสียสละมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งดีขึ้นอันนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเราไปหวังผลตอบแทนว่าเราทําแล้วเราต้องได้อย่างนี้มันไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่ถ้าคุณทําดีแล้วคุณได้ตามมีแน่นอน เพราะันแม้เราทําดีอะไรไปเราก็อย่าหวังว่าเอ๊ะถ้าท่านทําดีหเดี๋ยวฉันต้องได้โสดาบันถ้าท่านทําดี8ดเดี๋ยวฉันต้องได้สกิทาคามีถ้าท่านทําดีสิเดี๋ยวท่านต้องเป็นอนาคามีแมนะเราเองเราก็อย่าอย่าไปโลภอย่าไปหวังผลตัดแพนอย่างนั้นอีกเราก็พยายามทําดีเมืเราปฏิบัติไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยแหะนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเผลออยู่เรื่อย เราไปทําดีกับใครเนี่ยส่วนใหญ่เลยนี่ไม่พ้นอาจะมาถึงบอกว่าเรามักจะหวังจากคนที่เราไปช่วยนั่นแหละนะหวังว่าเขาจะดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเป็น อ, อพูดเพราะขึ้นเขาจะขยันขึ้นเขาจะเรียนดีขึ้นเขาจะว่านอนสอนง่ายขึ้นคือเราไปหวังอย่างเนี้ยอยู่เรื่อยๆเลยบอกไม่ต้องไม่ต้องหวังอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเราก็พยายามทําไปเรื่อยทําไปเรื่อยเขาดีขนาดไหนก ก, ก็็ก็ดีไปตาม ความสามารถเขานะอ่ะชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาตัวเองก่อนแล้วจึงค่อยเคลียผงออกจากตาพี่น้องของท่านอันนี้เป็นคําพูดของของคริสก็าเขาเ ป, ยเปียบเปียบเปยได้ดีเหมือนกันนะตรงนี้ยฟังดูนะ่าสํานวนก็บอกว่าชักไม้ทั้งท่อนจากจากตาคนอื่นเนี่ยเอ้ยชักไม้ทั้งท่อนจากตาตัวเองเนี่ยก่อน ดูนะสำหรับตัวเองเนี่ยไม้ท่อนเบลล์มเลยขวางอยู่ในลูกตาบอกเนี่ยชักชักท่อนไม้ใหญ่ๆเนี่ยในลูกตาตัวเองเนี่ยที่มันบังตาเราเนี่ยชักออกให้ได้ก่อนก่อนที่เราเนี่ยจะไปเขี่ยวผงจากตาของคนอื่นคือตาคนอื่นเนี่ยบางทีเนี่ยเขาแค่เขาผงติดลูกตาแต่เราเนี่ยไม้ทั้งท่อนติดอยู่ที่ลูกตาเรามองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนแต่เราเนี่ยจะไปเขี่ยว ผงอ่อนเกตาคนอื่นแล้วเห็นแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเผลออันนี้อยู่เรื่อยเลยเผลอนนี้อยู่เรื่อยเลยบางทีเราเห็นก็ทั้งที่เอ๊ะแม่อยากจะอบรมสั่งสอนแล้วนะยังไม่ทันบวชเป็นพระเลยจะเทศอยู่เรื่อยเลย <c oughs> เห็นแล้วก็จะเทศอยู่เรื่อยจะเทศอยู่เรื่อยเลย <c oughs> ทั้งทังที่บางทีก็เป็นจริงแล้วอ้าวเผลอๆนะบางทีเนี่ยไอคนที่เราคิดจะไปสอนเขานะี่ยภาคปฏิบัติจริงๆแล้ว เขาอาจจะไม่รู้ภาษาพระเขาอาจจะไม่รู้จ ะ, จะพูดคําบาลีว่าคําคแบบทางาศาสนาเนี่ยว่าอย่างไงแต่เผลอๆการประพติปฏิบัติจริงๆบางที่เขาปฏิบัติได้ดีกว่าเราอีกเข้าใจเย็นกว่าเราอีกเขาอารมณ์ดีกว่าเราอีกใช่ไหมแต่เราเองบางทีเนี่ยโอ้โหไปสอนเขาใหญ่เลยนะทั้งที่บางทีตัวเองเนี่ยกินเหล้าสูบบุหรี่โอติดอบายามุก ไปสอนเขาใหญ่เลยนะโอ้ไปบุกมันไม่ดีอย่างก็อย่างางี้นะไดนะ้อย่าไปติดอย่าไปอะไรไอคนที่เราไปคุยด้วยนะเขาติดน้อยกว่าเราอีกเ <c oughs> นี่แหละสำนวนเนี้หมายความเป็นทํานองนั้นว่ามันจะเผลอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยว่าอันนี้ระวังให้ดีเมื่อขยันเพียรทําตัวเองให้ดีขึ้นย่อมต้องพบอุปสรรคกั้นขวางเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นความโกรธหรือความโลภ ที่ติดจากทิสัยเคยชินเก่าๆของกิเลสซึ่งเขามายั่ว aw, ย้าย่ำยีหัวใจเล่นเช่นเก่าก่อนเพื่อให้รู้สึกมุดจิตบ้างเพื่อให้เกิดอารมณ์อยากขึ้นมาบ้าง <c oughs> จงอดทนไว้ตั้งใจให้มัน่นกัดฟันให้แน่นอย่าไปเหลียวแลมันอย่าไปขุนเลี้ยงมันให้อ้วนจงปล่อยให้มันอดโซพ่ายพร้อม <c oughs> จนกว่ามันจะทนอยู่กับเราไม่ได้ให้มันแห้งตายไปจากหัวใจของเราอันนี้พูดถึงกิเลสจริงๆสมัยก่อนเราเปียกเหมือนกับเสือหิวถ้าเราอดมันเรางดมันเนี่ยเหมือนเสือที่หิวโซถ้าเราอดงดมันบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ผอมแห้งตายแต่ถ้าเราไม่อดไม่งดมันเนี่ยเดี๋ยวเราก็อ้าวไปทําตามใจตัวเองอยูแล้วเดี๋ยวว่าทาตามใจตัวเองอยู่แล้คืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลี้ยงเสือให้มันอ้วน มันในที่สุดมันจะมีวันตายเมื่อมันไม่ตายเราตายคือมันกินเราตายมันกินเราตายก็คือเราต้องทําตามจะทําตามใจเสียตัวนี้อยู่เรื่อยมันอยากจะกินอะไรซี่โกงหมูอบเสียตัวนี้นะมันอยากจะกินซี่โกงหมูอบต้องไปหาซี่โกงหมูอบมาให้เสียตัวนี้กินเสียก็คือกิกกนเลสความอยากของเรา <c oughs> นั่นแหละหรือเกลียดอะไรเอา เสือตัวนี้มันเกลียดไม่ชอบไอ้นั่นไอ้นี่เราก็ต้องไปทําตามใจมันไอ้นี่มันไม่ชอบเพราะนั้นไปห่างๆอย่าเข้ามาใกล้ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอดลองก็ให้ได้เนี่ยเสือตายได้จริงๆวันใดที่มันจากไปก็จะหลุดพ้นจากความเป็นทาตของกิเลสวันนั้นย่อมพบอิสระเสรีภาพอันแท้จริงของชีวิตแล้วเราจะเป็นผู้ให้ให้ และให้กแก่ผู้อื่นด้วยดวงใจที่ใสสะอาดดุดทานน้ำใสที่ให้ความชุ่มช่ำแก่มวลพึกษาให้ความเย็นชื่นแก่ฝูงสัตว์โลกจะให้อย่างบริสุทธิ์ไม่มีเลสเล่ไม่โลภอะไรคืนสนองย้อนกลับมากล้าเสียสละได้อย่างกล้าจนจริงๆจะเป็นผู้ให้อย่างไม่กลัวจนมีความกล้าที่จะละทิ้งการเอารับเอาเปรียบ เพื่อความร่ำรวยกล้าที่จะทิ้งความโลภรวย <c oughs> กล้าที่จะทิ้งความโลภรวยที่ขาดกลัวว่าจะไม่มีความสุขในความยากจนนะส่วนใหญ่คนเนี่ยจะกลัวจนพอเมื่อกลัวจนจึงไม่กล้าเสียสละเพราะว่ากลัวว่าจนแล้วจะลำบากจนแล้วจะทุกข์ยากมันคนเลยไม่ค่อยกล้าเสียสละ มันต้องคนใจถึงถึงจะ ก, กล้าทั้งที่ชีวิตนี้โดยแท้จริงต้องเพียงอาหาร <c oughs> ต้องการเพียงอาหารเล็กน้อยของใช้นิดหน่อยก็พอแล้วเท่านี้ก็เป็นสุขเหลือหลายโดยไม่ต้องเสพอบายามุกให้หลงติดโดนหลอกลวงผานทรัพย์ไปย่ำยีอย่างฟุ่มเฟือยเมื่อกล้ากินน้อยใช้น้อยได้เป็นคนกล้าทาจน จึงมีทรัพย์สินส่วนเหลือส่วนเกินมากมายที่จะแบ่งปันให้แก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายให้ได้กินให้ได้ใช้อย่างเป็นสุขร่วมกันเรายิ่งกล้าจโจรมากเท่าไหร่ของก็จะยิ่งเหลือของยิ่งเหลือมากเท่าไหร่เรายิ่งแบ่งปันสละให้คนอื่นได้มากเท่านั้ น, น, นคนรอบข้างเราก็จะยิ่งมีความสุขน้ำใจแห่งการสละให้ปันจึงคือวิธีการทําลายความโลภรวยกับ ความกลัวจนให้พินาสล้มคืนลงไปได้ในที่สุดคนจนจริงต้องการเพียงบางสิ่งเท่านั้นแต่คนขี้โรภขี้งกต้องการทุกๆสิ่งฟังดูใยดีนะนี่คือสองบรรทัดตอนจบของตอนนี้คนจนจริงๆเนี่ยต้องการเพียงบางสิ่งเท่านั้น คนที่จนจริงๆเนี่ยบางทีหิวไม่มีข้าวจะกินเนี่ยต้องการแค่ข้าวกินเนี่ยไม่ไม่ต้องมีกับข้าวก็ได้ <c oughs> อ่ต้องการแค่มีอย่างเงี้ยพอกินพอยาไสไปรอดไปได้เขาก็พอใจแล้วอ่แต่ฟังดูคนนี้คนที่ขี้โลภขี้งกเนี่ยบัถนามากๆอยากได้มากๆเนี่ยต้องการทุกๆสิ่งเพราะฉะนั้น ใครที่เป็นคนจนปลอมๆคนจนที่ที่อะไรอ่ะต้องการทุกอย่างเนี่ยในโลกเนี่ยไอ้คนจนปลอมๆแบบเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่โลภเขาเรียกว่าคนขี่งกเพราะคนจนอะไเนี่ยคนที่มีเงินทองมากๆแต่ยังขี้โลภ แล้วก็ยังขี้งกเนี่ยนี่คือคนจนประเภทหนึ่ง <c oughs> นะที่ยังขี้งกก็กยังขี้โลภเพราะอะไรเดี๋ยวก็อยากได้นั่นเดี๋ยวอยากได้นี่โอ้ต้องการอะไรเนี่ยหมดเลยบางทีล่ารวยมหาศาลแล้วยังขี้โลภโอ้จะเอานั่นจะเอานี่อะไรก็เอาทีก็เอามากๆเนี่ยพวกเนี้ยแต่ถ้าคนจนจริงๆแล้วนะยิ่งเป็นคนจนที่ มีคุณธรรมเข้าใจว่าว่าว่าความความจริงๆมีเข้าของวัตถุทรัพย์สมบัติอะไรน้อ ย, อยเราไปเรียกว่าพวกนี้เป็นคนจนนะแต่ถ้าคนที่จนจริงๆแล้วนะยิ่งยิ่งเป็นคนดีเป็นคนที่เสียสละมารู้รู้ในสิ่งเหล่านี้คนจนที่แท้จริงนั่นะที่เราเรียกคนจนผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะ เป็นคนจนที่แท้จริงเนี่ยตามสัจจะที่ดีที่ถูกต้องแล้วต้องการแค่บางอย่างเท่านั้นแหละในโลกเนี้ยไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยคนทีต้องการแก้ปัจจัยสี่พอแล้วมีชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายไม่ต้องอะไรมากกว่า น, นี้แล้วแต่อาประเภทคนจนที่บอกว่าคนจนเก๊คนจนเก๊ก็คือคนรวยจริงๆ คนชนแก่ๆคือคนรวยจริงๆที่ขี้โลภขี้งกเนี่ยโอ้โหต้องการมากมายมหาศาลวันพวกนี้จะไม่ค่อยเสียสละจริงหรอกเสียสละแต่ละทีเนี่ยเสียสละแบบประเภทต้องย้อนกลับมาได้ผลประโยชน์บางทีไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรกลับมาได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญบางทีก็ก็ปาถนาอย่างนั้นกลับมา เพราะว่าอะไรทําไมเขาไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองกลับมาอีกมันมีเยอะแยะอยู่แล้วมันไม่ต้องเอากลับมาอีกก็ได้ไอ้ทรัพย์สินวัตถุเข้าของแต่ไปโลภเรื่องยศแหมถ้าได้ยศได้อะไรคนยกย่องคนบูชาคนเสรรเสริญแบบนั้นมบบนี้โอ้โหแหม่ยิ่งรู้สึกใหญ่โตยิ่งรู้สึกมีอำนาจเพราะนพวกเนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะไม่ใช่ คนจนที่รักนะแต่เป็นคนจนที่น่าเกลียดหรือเป็นคนรวยคนรวยที่น่าเกลียดมีเหมือนกันนะคนจนที่น่าเกลียดก็มีคนจนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรเนี่ยน่าแต่น่าเกลียดจริงๆเพราะอะไรเพราะต้องการทุกสิ่งเหมือนกันต้องการทุกสิ่งเลยไม่ได้ต้องการแค่บางสิ่งเะะั้นไปสำรวจดูว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนจนประเภทไหนนะก็จะทําให้เราเอง เราจะรู้เลยว่าเรากล้าเสียสละขนาดไหนนะคนที่ยิ่งกล้าจนได้ก็จะยิ่งกล้าเสียสละได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นคนจนที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆอ่ะวันนี้ของพอตอนนี้นะ